เปิดด้วยตัวเปิดเปิดตัวนี้ด้เปิดหรือยังโอเคตัวนั้นเปิดแล้วเอาเลยถามก่อนได้เลยหนึ่ง ในการ่ายางดู ต, ตาาดีที่เสมอมายก่งีดูนอะไ ร, นะระย่าย้รว่ต้องแยกคนทีละโอ้ท่านถามยาวเลยจริงๆประเด็นตรงนี้มันพูดถึงในเรื่องของอุปกิเลสสิบหกที่จริงก่อนที่จะไปจัดการเรื่องของคนที่มีอุปกิเลสสิบหกมันก็มีตั้งแต่อภิชาวิสมาโลภะ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 ถ้าไปกรุณามากเขาก็แก้เขาไม่ได้ทําให้เขาเสียนิสัยถ้ามีปัญญามากไปก็จะทิ้งเขาไม่เอาแล้วเว้ยแก่ยากขาดกรุณาต้องให้กรุณาและปัญญาให้ได้สมรตาให้ได้ดุลยภาพในการที่ว่ากรุณาเขาด้วยเห็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาก็แต่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างด้วยมันไม่ได้แก้ปุ๊บเดียวได้เลยนะครับคนประเภทนี้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 คนที่มีโกธะอติโกธะมาณะอติมาณะเนี่ยนะปลาศะเนี่ยก็ไล่ไปตามลำดับเบสเสร็จปุ๊บแล้วเราจะแก้แต่ละอย่างยังไงก็ต้องรู้ลักษณะของอภิชาวิสมาโลภะกิจของอภิชาวิสมาโลภะอาการปรากฏของอภิชาวิสมาโลภะเหตุใกล้ของเขารู้ว่าไอ้ตรงนี้กิเลสอย่างนี้มันก็มีในเรา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 ปเจกับพทธิยานสาวกพทธิยานสังเกตดูนะถ้าสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยปัญญาของพุทธิยาตนเองตัดสรู้แล้วเนี่ยจะต้องทําให้สัตรย์อื่นตัดสรู้ด้วยเพราะการุณายึดโยงไว้หลังจากมีปัญญาตัดสรู้แล้วแต่ถ้าหากปเจกพุท ธ, ธาตนเองตัดสรู้แล้วไม่สอนคนอื่นให้ตัดสรู้ก็สอนที้เขาได้สุคติ เพราะคนที่จะสอนคนอื่นให้ตัสรู้เนี่ยมันจะต้องขนขวายไปรู้สมมุติสัจจะนอกจากมีปัญญาตัศรูร้ลิยศาสได้ตนเองแล้วต้องมีปัญญาในการฉลาดในสมมุติสัจจะแล้วต้องตั้งบัญญัติขึ้นมาตั้งกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาสามารถออกแบบได้ครับออกระบบได้ตั้งระบบได้ไอ้ปัญญาตั้งระบบเนี่ยมันโอ้โหมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไอ้ฉลาดในสมมติสัจจะเนี่ย จะตั้งระบบของภิกษุยังไงภิกษุณียังไงอุบาสกยังไงอุบาสิกายังไงจะตั้งระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกายังไงเอาปัญญาที่ตัสรู้แล้วเนี่ยมาตั้งระบบอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อดึงให้คนเข้ามาสู่ระบบฝึกไปตามระบบเข้าแทงตลอดสัจจญาณมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ถึงบอกปเจกับพุทธะท่านจึงบําเพ็ญบารมีสองสอสงไขยแต่บรรดาสุตตพุทธะเออสาวกสาวพุทธะเนี่ยมีปัญญาตัศรู้ตามพุทธิย้า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 เป็นกองพระพุทธเจ้างนะั้นท่านเหล่านั้นเน่ออกจากโครนตมทั้งหลายเหล่านี้ได้ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชุดล้างเข้ามาทีนี้พระประเจพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไม่ได้ความที่ไปฉลาดในบัญญัติเหล่านี้ท่านไม่ได้สั่งสมท่านสั่งสมเพียงเพื่อตัดสรุปเองมันต้องใช้โวโหหารมากมีทั้งอัฏฐปฏิสัมพิทา ธรรมะปฏิสัมพิทานิรุติปฏิสัมพิทาปฏิภานะปฏิสัมพิทาญานใช่ไหมต้องมีความชานฉลาดแล้วยังต้องมีตัวอย่างต้องมีแบบอย่างอันนี้พระประเจเบอรเจ้าท่านท่านเกิดในยุคที่ไม่มีพระเจ้าท่านมีแบบอย่างเลยไม่มีตัวอย่างเลยไม่ได้ฟังจากใครเลยท่านเอาตัวท่านเองรอดอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านสอน้ได้สุขตีนะสมาทานศีลสิรักษาบุญส่วนเหมือนเหมือนเหมือนหลายๆลายคนนะเห็นยอมก็เบื่อ มาแต่ละคนลองดูถ้าท่านรู้จักกิเลสจริงๆนะครับรู้จักราคาโทสะโมหะรู้จักไออุปกิเลสท่านเห็นป้บเนี่ยท่า น, ท, านท่านเบื่อทันทีท่านเบื่อทันทีท่านจะไม่เบื่ออยู่คนประเภทเดียวคือคนที่ท่านมีตัณหากับเขามีตัณหาเช่นเขาเป็นญาติเขาเป็นอดีตภรรยาสามีอะไรก็แล้วแต่เถอ ะ, ะไม่เบื่อหรือว่ารู้สึกเขามีผิวพรรณหน้าตาที่มันกิเลสเราชอบ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 ถ้าเมตตาเทียมมันเป็นอกุศสรจิตเป็นตัณหานี่เมตตาคืออัโทสะใช่ไหมมันเกิดร่วมกับอริยสจิตุบาถ้าถ้าเมตตาเทียมมันคือตัณหาโลภะเกิดร่วมกับอกุศสจิตุบาทถ้าเป็นกรุณาแท้มันเป็นกรุณาเจตสิกมันเกิดร่วมกับอริยสจิตุบาทถ้าเป็นกรุณาเทียมมันเป็นโทสะเจตสิกมันเกิดร่วมกับทมานะเวทนาเห็นไหมมันก็อยากจะช่วยเหลือเหมือนกันนะเนี่ย ช่วยไปทุกข์ใจไปช่วยไปกุ้มไปทนระมานไปถ้าเป็นมุทิตาแท้มันเป็นมุทิตาเจดสิกที่อยู่ในกุศลกิรุบาตถ้าเป็นมุทิตาเทียมมันกลายเป็นลิษยาที่อยู่ในลูกน้องของโทสระเป็นอกศลกิรุบาตถ้าเป็นอุเบกขาแท้มันเป็นตตรรมวชิตตาใช่เจดสิกที่มันอยู่ในกุศลกิรุบาตมันฉลาดในการที่แยกแยะเหตุผลตามความเป็นจริง มันรักษากฎเกณฑ์กติการักษาธรรมะรักษ า, กษาความถูกต้องดีงามถ้าเป็นอุเบกขาเทียมมันได้แก่โมหะมันไม่แยกอะไรหรอกมันมึนๆงงๆไปอย่างนั้นแต่ไม่แยกเหตุผลกลไกใดๆหรอกแต่มันวางเฉยเหมือนกันเฉยแบบโง่เฉยไม่รู้เรื่องเง่ายเห็นไหมมันต้งบอกว่าเวลาเราไปเกี่ยวกังกุ่คนทั้งหลายเนี่ยยามท่านป่วยนะครับป่วยเจ็บเป็นหวัดมากเจ็บคอมาก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 เราจะแก้คนที่มีอุปกิเลตแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้โหเป็นเรื่องยาวเลยเป็นเรื่องยาวเลยเั้นท่านจะต้องหนึ่งศึกษาลักษณะของปัญญาอย่างนี้ให้ชัดแล้วมันจะเห็นเห็นกิเลสในคนจริงๆครับมองปั๊บเนี่ยถ้าท่านฉลาดในคาสอนเมื่อไหร่มันดูตัวเองจนละเอียดหมดแล้วแล้วเห็นคนอื่นขนาดนี้มาแล้วงงเงงงงเงง มาโอ้โหฟังทำรรมะก็มาพูดเพ้อไปดูก็รู้คุยแป๊บก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันมันไปวูกๆว่ว่ววาๆไปงั้นเลไม่ได้แต่ไม่ได้พูดให้ทอเนะือมันเป็นอย่างนี้จริงโทษอะไรรู้ไหมสังสารวัตรเขาไปเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับยอมคนนี้ อาจารย์คนนี้พระรูปนี้เนนคนนี้ชีคนนี้เข้าไปมาทั่วหมดแล้วก็จับติดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวแล้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ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 เลือนคลังออกมาแล้วโอ้โหรับมีทุกชนิดที่สัตว์ต้องการรัตนะทั้งหลายมีทุกชนิดสัตว์ชอบพลอยพลอยก็มีเพชรทุกชนิดมีหมดทองชนิดเงินมีหมดเลยว่าอลังการล้าหมดเลยเนี่ยถ้าเปิดเลื่อนคลังออกมาแล้วมีขนาดนั้นคุณธรรมในพระสัมมาสัมพุทธิยถาเปิดออกมามากมายเก็บไม่ไหว <c oughs> แต่เอาพอประมาณต่อ ที่จะเป็นประโยชน์แกหมูสัตว์ยังไงก็ไม่หมดฉะนั้นทำไมต้องบําเพ็ญขนาดนั้นเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าไงเป็นปพุทธเจ้าแล้วได้อะไรก็ได้เนี่ยได้ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตฉะนั้นจึงต้องฉลาดในกิเลสของหมูสัตว์ทุกเหล่าเราที่มีกิเลสกุ้มรุมในใจอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเพราะเรามาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าจึงช่วยเราได้ ในระดับที่ว่ามายุคนี้อ่มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับกรลยานามิตรที่สามารถหยิบรัตนาของพระพุทธเจ้าตรงกับตรงกับเราไหมตรงกับเราไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละพอมองเห็นนยังว่าไอตัวกิเลส ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกุ้มรุมสัตว์แล้วก็ผลักดันให้ออกมานะแล้วจะออกมาแบบในด้านของที่เรียกว่าอุปกิเลสหรือจะออกมาเรียกว่าอากุศลเจตสิกนะแต่นั่นแหละมันผลักออกมาแล้วนักนะนะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เอาละเมื่อพุกเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของเหตุให้เกิดปัญญาแปดอย่างนะ แล้วก็ได้ติดค้างกัาไว้ว่าจะพูดเรื่องปัญญาสามชนิดใช่มมีสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาปัญญาสามชนิดนี้ใน ในสุดตามยาปัญญาก็าแปลว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมเนาะหรือว่าลงมือทําก็ว่าไอตัวสุดตามยาปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการฟังได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการฟังจากผู้อื่นเช่นถ้ามองในปัจจุบันนี้ก็เรียกการศึกษาการฟังการอ่านการเขียนการลิน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 ที่จะเกิดความเข้าใจมันมีว่าหนึ่งก็คือว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ฟัเงเนี pretend, ่ยสามารถจับรายละเอียดทั้งหมดได้เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดได้เรื่องจะยาวยังไงก็จับประเด็นไอสามารถที่จะฟังทั้งหมดได้เนี่ยอักถัเนื้อความแค่ไหนฟังได้หมดเลยสองจับหลักจับประเด็นได้ยังฟังธรรมจักรกระโรงสูตรเนี่ยฟังทั้งหมดได้หมดเลย นี่โดยโดยเนื้อความทั้งหมดรู้ทีนี้ประเด็นสําคัญของธรรมาจาักษกระพริบหนา้าทศูดว่าบรรพชิตไม่ควรเสพอตตะกิรามัานุโยกและก็การมาสุขาริการนุโยกสรุปมงมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคบีองแปดพอดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็สรุปได้อีกตัวสัมมาทิฏฐิต้องไปแทงตลอดอริยสัตสสัมมาสังกประต้องออกจากอากุศลสังกประสาม สัมมาวาจาต้องเว้นจากวาจีทุจริตสี่สัมมากัมมันตาต้องเว้นจากกายทุจริตสามได้ละละละอกุศลนะไม่ใช่แค่เว้นอย่างเราเเว้นนะเช่นเว้นจากวาจีทุจริตสี่เนี่ยเราก็เว้นแต่มันไม่ได้ถอนรากไอตัวสัมมาวาจาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเป็นตัวไปถอนรากอะไรเวราเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจือได้ขาดออกไปนั่นแหละ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 ไอ้จับประเด็นได้เนะี่เหมือนธรรมะเหมือนธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยมันมันตัวเนี้ยตัวฟังแล้วมันเข้าใจจับประเด็นได้เลยอ้ออริยอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิก็คือแทงตลอดในอริยสัจจะรมสีประชุมในอริยามรรคอริยผลเป็นพปสวดดาบันเป็นต้นได้เงี้ยและก็นิรุตติมันก็คือสามารถสื่อได้เลยสื่อได้เลย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 ฉะนั้นไอตัวคุณสมบัติของพระหูสูตรที่ว่าคงแก่เรียนไม่ต้องประกอบได้ห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งพระหูสูตตาฟังมากฟังเป็นคนที่ฟังมากเรียนมั้ยตาจําได้จําได้ก็คือจับหลักจับสาระได้จําได้อย่างแม่นยำไอ้ตัววจิสาปริจิตตาก็คือคล่องปากคล่องปากในที่นี้ก็คือแคล้วคล่องชัดเจนเนี่ย สามารถสาทยาตยืก ๆ, ๆได้เลยในคุณสมบัติเนี้ยสุดท้ายไอสีก็คือมนัสสนุเปลกขีตาก็คือเพ่งขึ้นใจคือใส่ใจนึกกพิจารณาจนเจนใจนึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความขึ้นมาสว่างชัดทันทีเลยให้มันเคยเป็นขนาดนั้นไหมล่ะเห็นไหมกรณีอย่างเงี้ยบางทีฟังเพลินๆนไม่ได้นะ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 ทนได้ในขนาดนั้นเลยแล้วก็เพ่งเพ่งขึ้นด้วยใจใส่ใจนึกพิจารณาจนเจนใจนะ่มณสิการข้างใดมันก็ชัดขึ้นมาเลยเป็นเคยเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยอีกตัวนี้สาคัญที่สุดมณสิการเมื่อไหร่ก็ชัดขึ้นมา้ตัวสุดท้ายก็คือทิทยาสุปติวิทาขอบคิดได้ด้วยซิทธดีคือแทงตลอด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 มายาปัญญาแต่บางคนมันได้แค่สุตตะเออบางคนได้แค่ไหนได้แค่ฟังมากแต่จำไม่ได้นี่มันได้สุตตะอย่างเดียวมบางคนจำได้นะจับหลักได้อย่างแม่นยำเบียเ็จแต่ไม่คล่องไม่คล่องทวนไม่ได้บางคนอ่ะทวนได้คล่องพอสมควรเนี่ยนะแต่เพ่งแล้วมันไม่ขึ้นเร็วนึกแล้วสว่างว่าขึ้นมา มนาศิการเมื่อไหรก็สว่างสว่างลงเนี่ยมันไม่ขึ้นไอ้มนาศิการแล้วสว่างโลงยังไม่พอเนะยจนสามารถที่บอกว่าขอบคิดได้ทิศอีสามารถเข้าใจประจักษ์แจ้งนะมองในงแง่เห็นก็คือว่าทั้งในงแง่ความหมายและเหตุผลเข้าใจชัดในขณะฟังอันเนี้ยสุด ต, ตามาจบลงตรงนี้ยสุด ต, ตามายปัญญาพอมองเห็นไหมยังไม่ถึงกินตานะครับตอนเนี้ยกินตาลึกกว่านี้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 คนไม่ชำระนิวร์เนี่ยไม่ได้สุดตามยารรยะปัญญาครับฟังแค่นแค่ฝืนฝืนใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจหดหูท้อถอยจบเลยครับปัญญาระดับนี้ไม่เกิดครับหรือฟังที่กังวลเรื่องนุ้นกังวลเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับสุดตามยารรยปัญญาไม่ได้แล้วครับตัดทุกเรื่องไม่ใส่ใจอะไรเลยใส่ใจมรณสิการตรงนี้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 สมพระไตรปิฎกกันทั้งคู่อาจารย์ก็สมพระไตรปิฎกแล้วก็สอนลูกศิษย์ที่สมพระไตรปิฎกมีอยู่วันนึงก็คุยกันไงคุยกันว่า อ, อสติปัฏฐานสี่เนี่ยออมันอาจารย์เห็นว่ามันเป็นมิสกามัคมันเป็นมัคผสมคือโลกิยามัค ก, กับโลกุตละมัคผสมกันลูกศิษย์ก็บอกไม่ใช่อาจารย์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 อะไรว่าปุพพาคของมรรคอะไรว่ามิสการมรรเราไม่รู้ไหมกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาและธรรมะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ไม่ชัดเพราะเราไม่มีอสุตตะเราไม่ดีนี่แหละการอ่านการศึกษาเราก็ไม่ไม่ดีนี่แหละรู้ไหมปุพพาคคืออะไรฮะมิสกา คนที่เขามีปัญญาเขาฟังเ่าก็จับประเด็นจับจๆ จ, จ, จับไว้แล้วก็เขาเขารู้สึกมันมีฉันท่านิจัยรักเนะี่ยแล้วก็มีแล้วก็ก็แค่นี้นะแล้วต่อมาก็พอลูกศิษย์ก็บอกว่าเป็นเป็นปุบ ป, ปภาคอาจารย์อาจารย์ก็เสียงแข็งขึ้นมาเป็นมิสกาเนีนะ่ลูกศิษย์ก็เลยเงียบ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 พอมาถึงพบอาจารย์ก็เป็นสะกิดเออก่อนหน้านะั้นอาจารย์ไปอสองน้ำสงน้ำกระทวนไงเอกรายโนยยัง e บีเกเวมาโกสตานั่งทวนไปสุดสุดท้ายอะว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยปฏิบัติเจ็ดปีได้บรรลุมรรคแล้วก็ไล่มาตเจ็ดเดือนไล่มาจนถึงเจ็ดวันตกใจเลยเุย้ยเป็นไปไม่ได้ไ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 นั่งทวนเลยทีนี้ฟุบขึ้นมาแล้วทีเข้าใจไหมเนี่ยนี่ฟุบขึ้นมาเลยนี่มาจากอะไรศรัทธามาจากศรัทธามาจากการนอบน้อมมาจากความเคารพมาจากการไม่เยื่อยิงไม่ยิงไม่อหังการไม่มามังการมาจากการนอบน้อมภารตะนาตรัยนะครับสถานเป็นดวนน้ำอยู่แล้วใช่ไหยเข้าไปใกล้นั่งใกล้เงี้ยวโส แล้วขจัดกิเลสออกไม่ได้มานั่งโงกง่วงไม่เลยนะขจัดเลยนะทั้งงงรีบขจัดออกเลยเพราะไม่เคารพทมจะเป็นเหตุไม่บรุธรรมเห็นไหม น, น่ากลัวนะถ้าไม่เคารพทำไม่ไม่เคารพรมจะเป็นเหตุไม่บรุษธรรมพราะเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วสติปัฏฐานเนี่ยกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมะมันเป็นการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นไปมันไม่ใช่เป็นผสมกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตละมันไม่ใช่เป็นมิสการ แล้วถ้าหากบรรลุแล้วมันไม่ไปค้างเตออยู่บรรลุโซดาปฏิมากรปุ๊บมันก็เป็นโซดาปฏิผลแล้วก็ได้สำเร็จผลไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นที่ที่ต้องการพูดว่าการที่เราไม่ได้เพ่งขึ้นใจใส่ใจนึกพิจารณาให้เจนใจนึกคั้างใดก็ปรากฏขึ้นมาทันทีมันไม่สว่างกับอีกข้อหนึ่งก็คือคบได้ด้วยทฤษฎี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 ท่านจงฟังด้วยกุศลจิตนะอย่าฟังด้วยอกุศลจิตถ้าท่านเสพ อ, อกุศลจิตหรือให้อกุศลจิตเกิดขึ้นในใจพบท่านจะเป็น阿拉กทูปริยตจะเป็นการเรียนธรรมะผิดพลาดทันทีเลยเหมือนจับงูพิษทางหางทันทีอะไรคืองูพิษทิฏฐิมานะที่เกิดกโลภะหรือโทสะหรือโมหะนั่นเป็นงูพิษมันเล่นงานใารมันกาดใาย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 ถามว่าในขณะ น, นี้ชื่อว่ากำลังปฏิบัติธรรมะไหมแต่ถ้าง่วงซึมโ ง, ง่หรืออย่างเงี้ยอย่าง่งเน้นแทบเงี้ยอย่างนี้ต้องแก้ไขทันทีวิธีแก้ทำไงอ่ะวิธีแก้เน้นทำไงจะให้อาุศรออกทำไงจะทำไงวิธี เ, เวลาเกิด มันง่วงมันซึมอย่างเนรเป็นอยู่ตอนนี้สมมตินเนรจะทำยังไงถึงจะออกกับมันได้ทำไงไม่มีวิธีเลยฮะเป็นเออใช่ไม่กล้าใช่ลุกยืนดีทั้ทงนั้น ทำมันงงงงยิงลยืนลังแล้วก็ขอโอกาสไปล้างหน้าก่อนทำได้ไหมยแต่จริงๆวิธีการจริงๆมันเกี่ยวเรื่องนามาทําแต่จริงเนีูกประธรรมมันสุดใช่ไหมมันมันมันไม่กระตื้อเลยลดออในชีวิตในการศึกษาในการอ่านธรรมะในรแรงต่างๆเนี่ยไม่ไม่เคยงง เพราะเป็นคนมีใจรักสูงมากประดุดเหมือนว่าเราเฝ้าพระเจ้าอยู่จริงๆอย่า <c> ง <oughs> นี้ทีนี้เอาจินตามายปัญญาเนี่ยก็ไข้ครวนด้วยโย น, นิโสมมานสิการนี่แหละทีนี้การที่จะเพ่งพินิจด้วยปัญญาเนี่ยที่บอกว่าตัวการคิดเนี่ยที่มันเป็นทั้ง อ, อ, อุปายามนัสิกาละไอคิดถูกทางถูกวิธีเนี่ย เป็นทั้งปฐมานุสิกาละคิดไปตามแถวตามแนวเนี่ยกรนมนสิกาละก็คิดอย่างมีเหตุและผลคิดสาวค้นค้นหาเหตุผลถ้าคิดอย่างถูกวิธีเขาเรียกว่าอุปาญมนสิการคิดเป็นทางคิดให้ถูกทางเ็าเรียกปฐมานุสิการคิดสาวหาเหตุคิดอย่างมีเหตุผลเขาเรียกกรนามานสิการ่ะคิดให้เกิดผลเขาเรียกอุปาทกมนุสิกาะใช่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 นั้นตัวจินตามัยะปัญญาเนี่ยคิดได้กว้างขึ้นได้ลึกขึ้นได้ละเอียดขึ้นมากกว่าที่ฟังใมากกว่าที่ฟังทีนี้กระบวนการคิดแบบนี้เราไม่ค่อยถูกสอนให้คิดกันนะเช่นนะพอพูดถึงเรื่องกุศ ล, ลจิตปุบ๊บเราไม่ได้คิดแยกองค์ประกอบในบรรดาแล กุศลจิตทั้งหลายหรือกุศลจิตวบากทั้งหลายมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในนั้นเราไม่เคยไปคิดว่าโอโ้มันมีองค์ประกอบทั้งผาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมณฑการวิโกวิจารณธิมโมกุริยาปีติชนทาสัทธาสติหรือโอตปาโลภ า, โ, ภาโทสะตัตระมชัชตาตากายปัสธิจิตาปสติจนถึงปัญญาเป็นต้นเนี่ยเราไม่เคยคิดแยกองค์ประกอบว่ามันมีองค์ประกอบปรุงแต่งมากมายขนาดนี้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 คนที่มีโยนิโสมมากกุศลจิตเกิดมากโยนิโสมัเกิดศรัทธาโยนิโสมัเกิดความเพียรโยนิโสมัเกิดสติโยนิโสมัเกิดสมาธิโยนิโสมัเกิดปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ยตัวโยนิโสมนินการมันกระตุ้นปลุกเร้าอยู่ตลอดเวลากุศลจิตมันก็เกิดต่อเนื่องทุตุตุตุตุมากเลยเดี๋ยวนี้โยนิโสมาจากอะไรเนี่ยมาจากการสัตยธรมมวสันนะการฟังที่ดีจำมาละการฟังมันจากการคบสัตว์บุตรคบสัตวบุอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอย่างเงี้ย การอยู่ในถิน่นเหมาะสมมันมาจากการสร้างเหตุปัจจัยก็เลยปุเพกตปุญญาตาแล้วบอกอ๋อจากปุกเพกตะุญญาตาอัตสมัมมาปณิทิปมาปุเพกตะุญิตาจากปุกเพกตะุญญาตามาอยู่ในถิน่นที่เหมาะสมถิน่นที่เหมาะสมได้ครบสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษท่านก็กล่าวธรรมะพระกล่าวธรรมะไดโยนิโสพระไดโยนิโสกุศลกิรบาทเกิดพอกุศลกิรบาตเกิดปุ๊บมันวิจัยวิยโยนิสมากขึ้นเพราะมันมีพลังมากขึ้นกับปราโมด จากปราโมทเป็นปีติจากปีติเป็นปัสสติจากปัสสติเป็นสุข จ, จ, จากสุขเป็นสมนทัสสมนัสเป็นสมาธิจากสมาธิเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงตามสถานการณาน์นั้นนเนี่มันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างแปลว่ามันมีพลังไหมเนี่ยวิจักเห็นไหมในตัวปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิด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 อย่างใดอย่างนั่นแหละเป็นภาวนาระดับสมาธิมันเกิดแล้วเอาต่อเอาสมาธิเป็นฐานต่อไว้ได้วยกำลังวิปัสนาญาณตึงต้งตึงตงตง้แยกรูปแยกนามเห็นตามความเป็นจริงแล้วเดีนี้เห็นละเอียดแล้ว น, นี่เขาเรียกว่าวิปัสนาบัญญาทั้งทั้งไปตัวปัญญาที่เกิดจากพวกผู้ได้สมาธิที่ เ, เดินสมาธิหรือวิปัสนาเนี่ยปัญญาในสองระดับนี้แหละที่เรียกว่าเป็น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 ตัวภาวนามยปัญญาเนี่ยนิวรธรรมไม่กุมรุมเป็นภาวนาระดับสมถะนั้นสมาธิทุกระดับเป็นภาวนามยปัญญาแล้วก็วิปัสสนาญาณทุกระดับก็เป็นภาวนามยปัญญาเห็นไหมฌานสมาธิวิปัสสนาสมาธิิมันก็มาลงตรงภาวนามยปัญญานี่แหละครับพอเข้าใจไหม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 ปัญญาเนี่ยเจริญวิปัสนาปัญญาเป็นคัน้เกาสมาธิที่มีตัวอุปจาระอยู่เบื้องหลังเช่นสมมติท่านยิ้มได้ได้ฌานแล้วเนี้ยอยู่ในฌานเจริญวิปัสนาได้ที่ไหนมันก็ต้องตั้งมั่นในลมเดียวใช่ไก็ต้องเอาออกจากฌานก็มาต้องเดินฐานให้จิตเป็นคณิกาสมาธิแต่คนคนเดียวกันใช่ไหม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 นี่เป็นอย่างนี้พราะมองเห็นไหมล้วนั่นเป็นแบบนี้แหละครับเอ้าวถามดูมิส ก, กสะเนี่ยคำว่ามิส ก, การนี่เขาแปลว่าผสม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 มันก็เป็นมรดอย่างงี้เป็นต้นไม่ได้เกิดร่วมกันแต่เขาพูดถึงมิศกาบมารด์ทักจะกล่าวถึงมรด์เก้าสมมุตินี้ยทักจะกล่าวอากุศลเนี่ยใช่ไหมอกุศลเนี่ยเช่นถ้าพูดถึงในเรื่องของวิริยะภะละเนี้ยอา้าถ้าวิริยะนี่ประกอบในอกุศลก็ได้นะเพียรในการทาําบาปก็ื่อจะได้เป็นวิริยะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมล่ะ อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเกาะประกะศถ้าจะมันมีหมวดที่ผสมแบบนี้มีอยู่ใช่ไหมก็เริ่มมิสกะแต่เป็นการแสดงทั้งกุศลอกุศลเพราะว่าสภาวธรรมบางตัวเนี่ยวิตกเนี่ยเป็นมิจฉาสังกะปะก็ได้เป็นสัมมาสังกะปะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเป็นหนึ่งในมรักรเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นมรักเป็นมิจฉามรักกับสัมมามรักก็เลยกล่าวถึงมิจฉามรักอีกกลุ่มหนึ่งสัมมามรักอีกกลุ่มหนึ่ง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 าบาปใหม่เป็นตอร์เนี่ยเพียงถูกมีอยู่แต่ตัววิริยะตัวเดียวกันนี่แหละแต่จัดให้เป็นสองหมวดเลยหมวดอกุศลกับหมวดกุศลแสดงเห็นความต่างกันเลยนี่เป็นต้นแต่ถ้าสติเนี่ยมีตัวเดียวไม่พอที่ปกักขีธรรมก็เป็นทำ เ, เป็นฝักฝ่าย ก, ก, การตรัดสินเป็นฝ่ายกุศลอย่างเดียว ถ้าถามว่าเป็นปุพภาคไหมถ้าเป็นเบื้องต้นที่เกิดขึ้นก็เป็นโุพภาคแต่แต่เป็นได้ทั้งริา่ลลา่เช่นมแตลถามหมายถึงอะไร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 ทรงพระใจผีดกเป็นสุดตาพุทธะขนาดนี้ยังยังเลอะเลือนขนาดนี้เอาและเราจะปิดมุมต่อไปผู้ศึกษาติปัญหาในภายหลังจะได้ไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนว่าไงท่านก็เลยแก้สูดดูนี่ตุดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดไปเลยแก้เสร็จแล้วเราไปอ่านยังมึนอีกเขาเขาจะยังเนี่ยท่านต้องไปอ่านดูที่ท่านจะไม่มึนได้ไงขนาดเรามาอ่านยังมึนอีกเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยผมก็เลยมาตักแก้ไว้ไงถ้ามาแก้บอกตุ๊ดตุอย่างนี้จะจบเลยถึงเนี้ยดีที่ถาม ตัว น, นี้ชัดหรือยังไม่ใช่ความเพียรในโลกุตราจิตบางทีบอกอ๋อมันเป็นทั้งสองส่วนเน่เป็นโลกิยาก็ได้โลกุตระก็ได้มั่วเลยอย่างี้ไม่เอาไม่เอาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นมรรคเบื้องต้นพอจะเข้าใจไหย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 นั่นเราท่องกันมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมันั่นในโลกเสียได้ไม่รู้ทำไงกัไม่รู้งงอย่อยางเงี้ยโลกในที่นี้คือหมายขันกระแสะชีวิตนี่แหละรูปขันส่วนหนึ่งนามขันส่วนหนึ่งนี่คือโลกเรียกขันทะโลกโลกคือขันห้ามีสภาวะที่ต้องผุพังแตกสลายไปอยู่ตลอดเวลานี่คือโลกะต้องผุต้องพังต้องวิบัติอยู่ตลอดเวลา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 ว่างกันเดี๋ยวจะไปเดินไปใหญ่เลยแต่เนี้ยมันไม่มีความเพียรไม่มีสมัมผัสใชไม่มีสติเกิดขึ้นเป็นกุศลกิจในขนาดนั้นไปปล่อยให้ความยินดียินร้ายมันเข้าซะนี่เลยไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสัทีเลยวิ่งหาสติปัฏฐานทั่วประเทศเลยมงเห็นอย่าง <c oughs> อปจารสมาธิที่คือถือว่าได้ฌานหนย่างอุปจารละก็เป็นเพียงแค่ขมนิวรธรรมได้เบื้องต้น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 ได้แล้วงั้นจะได้แบบไหนอาจจะได้แบบประเภทที่กันกิเลสได้เป็นระยะระยะเป็นแต่ทางคะแล้วต่อมาสมมุติว่าโอ้โหมันพอจากกิจทํากิจเบรรียเศปบมาอยู่สงบเข้าใจแล้วนี่จากแล้วก็ทําจนคุ้นเคยแล้วแต่เนี้ยจนกุศลแลจิตเกิดง่ายมากความเพียรสติสัมปชัญญะเกิดได้ทุกกียบบทแล้ว พอมันนั่งปุ๊บขึ้นมาดูลมฟึดเดียวแค่นั้นเนี่ยสมาธิได้เลยนั่นไอการได้เบื้องต้นจนได้จนเกิดนิมิตแสงบ้างนิมิตสีบ้างอะไรก็แล้วแต่เธอะจนจิตตั้งมั่นได้พอสมควรเนี่ยก็เลยอุปยาระไอหนี้นิวรณ์มันสงบได้ถ้าพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ, ๆจนสามารถจะเข้าเวลาไหนได้ออกเวลาไหนได้จนจะนีชานาญในการเข้าได้อย่างรวดเร็ว อ, อันนั้นเขาเรียกว่า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 จนเกิดฌานาสัมมาทิฏฐิแล้วก็วิปัสนาปาาัญญาจนเกิดวิปาสามาม hi, ัสนาสัมมาทิฏฐิกำนดรูมน้ำกันหเห็นทั้งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็ไล่ไปตามลําดับเพื่อ<ด>จะเข้าถึงมรรคสัมมามทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิปัจจเวกสัมมาทิฏฐิที่กล่าวไว้นั่นเองทีนี้ในด้านของปัญญาก็เลยมีสามระดับนะกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาโลกุตระปัญญามีเยอะเลยในเนี้ย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 เจตนาทานเจตนาทานกับตัววัตถุทานไอตัววัตถุทานเนี่ยมันจะสรลิดผลเป็นเป็นทานได้มันต้องมีเจตนาลําพังวัตถุทานอย่างเดียวมันเป็นมันเป็นทานไม่ได้ใช่ไหมล่ะ แต่การที่จะเป็นการให้ทานได้มันก็ต้องมีวัตถุเป็นอุปกรณ์ในการระลึกในการให้ในการสลากแต่โดนดาววัตถุอย่างเดียวมันเป็นมันไม่ได้นะเนี่ยตอให้เราอยู่กุฏินี้ขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่เป็นวัตถุทานนะถ้าไม่มีจิตจดคิดอย่างให้โอ้เราได้กวาดปัดกวาดเช็ดถูให้ความสะอาด เพื่อให้คนมาอยู่อาศัยได้รับความสุขสบายล่มเย็นเขาจะได้ทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นดีจริงเนอะเนี่ยมันเป็นนะอย่างเงี้ยต้องถูล็กอกหายเลยล็อกมันไม่เป็นเลยนะเน่พอได้ถูแต่ละทีมันตื่นเต้นทุกทีเลยที่จะทําให้คนได้อยู่ที่สานทุกทีเอดูดิมันจะเป็นได้ก็ตอเมื่อมันมันเชื่อมโยงกันนี้ อัตติอัตติทินนางการให้ทานมีผลนี่มีผลระดับไหนก็ว่าไปนะที น, นี้ฉันท่าทานนางมีผลไหมให้ทานแบบเราเอียงพระรักมีผลหรือไม่มีผลโทสะทานนางมีผลไหมโมหะทานนางพยะทานนางกรังสทานางังสักษาทานนางสมรตานางการให้ทานมีผลหมดแหละ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 ให้ของเคี้ยวของบริโภคทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ที่ว่าเต็มที่เจ็ดแห่งเนี่ยผลการให้ทานเนี่ยอูมไขปลราเต็มไหลเต็มหลังเต็มหลังมือหลังเท้าเนี่ยเป็นต้นเต็มเนี่ยเห็นไหมมันมีผลแต่ให้ด้วยลำเอียงพารักมันก็มีผลแต่พอให้มาแล้วมันยึดติดห่วงร่างกายห่วงผลของทาน พอให้แบบลําเอียงพรรักอย่างนี้เป็นต้นให้แบบไม่สละขาดเนี่ยได้ตามาได้หูมาได้จมูกมาได้ลิ้นได้กายได้ใจได้ทรัพย์ได้บุตรบริวารญาติมิตรห่วงเหนียวแน่นอย่างนี้นเห็นไหมมันมีผลจนถึงสูงสุดมันมีผลหมดแล้วแต่ไม่ช้าที่ทิทั้งหลายเห็นว่ามันไม่มีผลอัถิยตถังการบูชากราบไหว้ได้รับผลยิถังด้อยการบูชาก า, ร ก, า, ร, า, การกราบการบูชามีผลไมหมล่ะ มีผลหรือไม่มีมีการบูชาก็มีผลจะบูชาคนดีหรือไม่ดีมีผลหมดบูชาพระเจ้าก็มีผลบูชาพุทธเจ้าก็มีผลแต่ดีหรือไม่ดียังไงว่ากันอีกทีเนี่ยให้เข้าใจให้ถูกผลแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอธิหูตังหูตังนี่แปลว่าอะไรเนี่ยการรับเชื้อเชิญการต้อนรับการต้อนรับ บางทีก็แปลอีกอย่างนะหูตงางคำนี้อาการต้อนรับการเชื่อเชิญเชิญครับมีผลนะน่ยเชิญ น, นั่งเชิญ อ, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการต้อนรับการปูอัสนะการอะไรทั้งหลายเลยมีผลไม่ใช่ไม่มีผ ล, ผลใช่ไหมแต่บางคนก็คิดว่าทําทําไมมันไม่มีผลงั้นคนบางคนถ้าไม่ศึกษาอะไรดีก็จะไม่ขวนขวายในการทํากิจในศาสนาถึงขวนขวายกันมาก อัธิสุขตาทุกตานังกรรมานังพลังวิปาก็เห็นว่าการที่ทําดีทําชั่วย่อมได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมนัแน่นอนอัถิอยัางโลโกเห็นว่าพบนี้มีอยู่พบนี้มีไหมจริงจริงจริงๆครับว่าพบนี้มีเนี่ยหมายความว่าสัตว์อื่นที่มาจากพบ อ, อื่นที่ตายแล้วมาเกิดในพบนี้มี พนี้มีเนี่ยหมายถึงอย่างนี้อัตติปรังโลโกเห็นว่าพบหน้ามีเห็นว่าสัตว์ที่ทําตายจากพบนี้ไปสู่พบหน้ามีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีการเห็นอย่างนี้เป็นสมาทิเถี่ยเห็นคําว่าเห็นทําไมตีกือเห็นถูกถ้าเห็นว่าไม่มีน่ยเห็นผิดก็เห็นเห็นอยู่เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็มาอยู่เนี่ยมันมาจะพบหน้ากันอั่งนั้นนะน่ มาจะกพบก่อนนะที่เช่นเน้นแหมตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ถือว่าอะไรก็มาจากขันอื่นอัตภาพอื่นก็จัดเป็นพบอื่นอยูเหมือนกัน <S <S แล้วก็อัติมาตาเขียนว่ามารดามีนายถึงคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วต่อมารดามีนะอัติปีตาก็ อัธิสตตาโอปาติกาเห็นว่าสัตว์ที่พดเนี่ยตายแล้วพดโตทันทีมีเนี่ยคนโดยมากจะไม่ค่อยเห็นกันข้อนี้โดยมากปฏิเสธเลยนะว่ามีนะไอสัตว์ที่พดโตขึ้นทันทีเช่นสัตว์นรกเช่นเปรตเช่นอสุรกายเช่นเทวดาเช่นพรมเนี่ยนะพบโตทันทีไม่ต้องมาค่อยค่อยโต อัตถีโลโกสมณรามนาสัมมาปฏิปันนาอายังอิมังโลกังโอภาสตวปรปเรวิพาเวนตาเห็นว่าสมาาัมณภามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ประจักษ์แก้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยตนเองและประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้นั้นมีอยู่อันนี้กระทบถึงพุทธเจ้าเลยบางคนไม่เชื่อว่าสัตว์ที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถทำศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาแทงตลอดโลกนี้โลกหน้าแทงตลอดอาริยสัตว์และก็ประกาศให้บุคคลอื่นได้รู้ตามความเป็นจริงไม่มีอย่างนี้เป็นต้นพอ ม, มองเห็นอย่างเนี่ยกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นวิชาทิฏฐิงั้น กรณีอย่างนี้ต้องไปเข้าใจบางทีเว่าเห็นการให้ทานมันมีผลมันมีผลทั้งแต่ในขณะปัจจุบันและวก็ในการต่อไปมันต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดเลยนะี่รายละเอียดเต้องไปเจาะดูจะเห็นก่อน้าๆเยอะสินี้องค์คุณองค์คุณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้พูดเรื่องสติปัฏฐาน ที่สำคัญที่สุดก็คือพูดถึงองคุณสามประการนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติไอ้ตัวนี้เป็นองคุณที่สำคัญที่สุดว่าเออเราจะเดินในชีวิตจริงยังไงตัวนี้สาคัญเพราะว่าเวลาพวกเรามันกระชั้นโดยเฉพาะของอ า, าิาานีถ้าไม่สามารถเ อ, อ่อฝึกได้ในชีวิตจริงนี่จบเลยนะพวกเรานี่แย่กันเลยนะครับ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 ถ้าตราบใดยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่มีอกุติจิตอยู่เนี่ยมันไม่ยอมไอ้ความเพียนตัวนี้ที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันจะตั้งคํามาคําเม่นมันไม่ยอ ม, ไ ม, ยอมไม่ยอมให้เกิดถ้ามันมีอยู่ต้องเพียนพยายามในการที่จะละมันนลยทีนี้มันคําว่ามีอยู่เนี่ยมันมีโดยที่กําลังเกิดอยู่กับมีโดยการที่มันเกิดบ่อยๆเนาะคําว่ามีเนี่ยโลภะโทสะโมหะ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 เมื่อคนม่เคาะประตูผมโคตรเครียดเลยเคาะอีกแล้วเนี่ยเป็นไหมเนี่ยอกรณีแบบเนี้ยแปลว่าเราเราไม่เห็นโทษของความหมงุดหงิดไม่เห็นโทษของความกโกรธไม่เห็นโทษของความเห็นผิดดงั้นคนที่มีความเพียรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เอาไว้เขาตั้งหลักใหม่เขาตั้งเจตนาใหม่ว่าอันนี้มันมันบาปเก่าแล้ว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 มันกระตุกเลยบอกไม่พอมึงออกไปไม่ให้มึงครองนานจัดแล้วทีนอนซึมเงี้ยบอกกูไม่ตามใจมึง อ, อีกแล้วมันมันอยู่ไม่สุขเลยครับกิเลสหนึงหาเหตุหาผลมันใหญ่มันดิมันวิ่งๆๆๆงวิงวิง ว, ว, ว, ว, วิหาเหตุผลเสเสร็จพวกเด็ดขาดไม่ให้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 บอกว่ากูไม่กูยังไม่อยากลุกไม่ได้แล้วลุกลุกมันมันเลอะมันดําเบิอย่างนี้เลยนะพอดัมเบิดเิเสร็จมันลุกพวดเลยลุกแล้วมีอะไรไหมเนี่ยหนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเองจะอยู่ไม่สุขนี่เพียนะแลวมีสติกํากับปึกสติล็อกเลยเอน่างนี้บอกว่าตรึงตรึงไว้เลยจับ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 จะดูหนังสือจะถามอะไรทั้งหลายสังเกตจิตไปเรื่อยดูทกจิตไปเรื่อยโอ้โหแต่เนี้ยทากิตต่างๆนี่ได้แล้วมันเริ่มเป็นแล้วแต่เนี้ยมองเห็นนี่ยังมันปฏิบัติได้จริงอย่างนี้สติปัฏฐานมันออกมาแล้วแต่เนี้ยโโหกวัวจะได้มันอุตแตก่อนไม่มีใครบอกอาจารย์วิธีปฏิบัติแบบนี้นะมันเอามาปฏิบัติได้จริงๆแบบนี้เลยนะโดยมากเราก็ได้แต่รูปแบบกันเมื่อตอนเย็นอาจารย์ไปในสวนอู้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 แล้วก็ธรรมะส ป, ปายะที่พระุทธเจ้าเอาไปให้เลยตุ้มเลยนะได้หมดเลยอิยาบทส ป, ปายะหมายถึงว่ายืนเดินนั่งนอนมันมันง่ายต่อการเดินกุศลทีนี้ประเด็นก็คือว่าอาหารส ป, ปายะอย่างพวกเราเนี่ยไปบินดาบัดเออก็ไม่ยากนี่อาว่าส ป, ปายะเอ้าก็สะดวกนี่เห็นไหมจริงๆโอตุ ก, ก็ไม่เลว อุตุเนี่ยก็โอเคมันสามารถเดินกุศลได้แล้วก็บุคคลเอา้าก็เป็นคนดีๆกันก็พอจะเกื้อกูลกันได้อยู่เขไหมล่ะเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้ส ป, ปายะพอสมควรแต่เราขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมะส ป, ปายะเราขาดตัวนี้จริงๆดงนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะเดินธรรมะเชิงลึกได้แล้ว เรามีสปายะเหล่านี้ค่อนข้างบริบูรณ์แล้วหรืออย่างเดียวว่าเออเราก็ใช้อียะบทให้มันเหมาะสมอียบทไหนมันเอื้อดต่อกิเลสก็อย่าไปตามใจมันอียบทนี้ที่ไรกิเลสมันเกิดนนะ ก, ก็ให้มันเอื้อดปรับอียบทให้เหมาะสมคือทำร่างกายมันเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันชาวแฟนกูรู้ถ้าเขาได้สปายะ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 เห็นเวลาฟังธรรมะไปแต่ทีกลับไปก็คุยธรรมะกันตึต่อได้เลยเห็นใครทําให้ดีทั้งหลายเตือนกันเตือนกันเตือนกันด้วยด้วยด้วยกุศลธรรมอย่างดีเลยพุะญาติจึงไปแสดงธรรมะเชิงใช้ในชีวิตจริงและเชิงลึกแล้วโอ้โหดังวิถุประเทศเลยตอนนั้นนะพอจากเปิดประตูที่แฟนกูรู้ได้ฟ้านอื่นฮือกันหมดเลยเอาไปปฏิบัติกัน ท, ทั้งชมพูทวีปเลย ฉะนั้นแฟนกูรู้จึงเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นโมเดลเหรอเป็นโมเดลเป็นเป็นโมเดลที่พรุทธเจ้าไปเอาเป็นเมืองต้นแบบทำให้แฟนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนวัชีแฟนโกุศลแฟนมคตแฟนสักกะแฟนต่างๆาเหล่านี้เอามาเป็นได้แฟนกูรู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ในชีวิตจริงโอ้โหกระเพือตึงเลยแต่เนี้ยคนก็บรรุ ก, กันใหญ่คนก็อยู่ในศีลในธรรมกันใหญ่คนก็ปฏิบัติในชีวิตจริ ง, รงได้หมดเลยนี่เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ไอธรรมะระดับแบบเนี้ยแล้ววิธีการที่จะเข้าใจในเชิงเลิกแบบเนี้ยไม่ถูกจุดขึ้นมาพอไม่ถูกจุดขึ้นมาแต่เนี้ยและไม่มีคนเอาไปพืชปฏิบัติแล้วได้ผลจริง มันก็เลยกายจัดกันก็ได้แค่เป็นคอร์สเป็นคอร์สแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นแค่บับไดบับหนึ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนั้นไอ้นี้สายไหนดาสายไหนที่จริงมันต้องทําทั้งหมดกรรมฐานเหล่านี้ต้องทำทั้งหมดเนะในกายานุปัสนาอนาปานาบับอียาบทบับสัมปชัญญะบับธาตุมนุิการบับปฏิกูมนุิการบับป่าช้าทั้งเก้ามันต้องทําหมดเวทนานุปัสนาจิตาธรรมานุปัสนาตั้งแต่นิวรณะบับ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 หายใจเข้าหายใจออกก็รู้เนี่ยแต่เราไม่รู้เงี้ยมันก็จบแล้วแปลว่าลมหายใจไม่เป็นอุปกรณ์แกการเจริญสติความเพียรและสมาธิและปัญญาใช่ไหมละ่ะก็มันมีย้งมันอยู่นี่แหละอุปกรณ์มีอยู่ในการที่จะฝึกความเพียรฝึกสติและฝึกปัญญาฝึกสมาธิมีอุปกรณ์อยู่แต่เราละเลยเนี่ยมีอยู่แล้วเราไม่เข้าใจกระบวนการชีวิตจริงๆริงยาวดืนเดินนั่งนอนมีอยู่ยาบดย่อยก็ใช้ทุกวันย า, ย, ยาบดหยาบหยาบก็ใช้ทุกวัน ว่าไงเธอผมคนเล็นฟันหนังนี่ก็อยู่กับมันนี้แหละว่าไงเธอธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็อยู่เงี้ยไอเนี่ยไอป่าช้าเนี่ยที่มีวิญ ญ, ญาณกับไม่มีวิญ ญ, ญาณกับรูข่าวกันตายกันตลอดเงี้ยมันเรื่องจริงสุขทุกข์ก็มีอยู่เฉยเฉยก็มีอยู่จิตมีราคาไม่มีราคามันก็เกิดขึ้นในนี้แหละว่าไงเธอนิวรณ์กรรมฉันทานินวรณ์ก็เกิดขึ้นนี้แหละก็คืออุปาทานกันห้านี่แหละก็คืออายตนะเชื่อมโยงจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอายนะภายในหภายนอกหกแล้วก็ เวลาเจริญก็เป็นสติสัมโพชงธรรมะวิาณสัมโพชงเป็นหลังการปฏิบัติพ่อชงนี่ไปเห็นอะไรก็เห็นสัจจะสี่เห็นทุกขสมุทัยด้วยมั้งมันมีแค่นี้เข้าใจไหมฮะแปลว่าอะไรก็อยู่ที่อยู่ที่เราแล้วอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ถึงนี้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 ทำให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องก็คือทำสตินี่แหละให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงติดต่อและต่อเนื่องโดยการที่ไปสติรละลึกอะไรถ้าระลึกไปที่กายเรียกว่ากายานุปัสนาเลิกไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉ ย, เ, ฉยเป็นเวทนานุปัสนาลึกไปที่จิตเรียกจิตานุปัสนาแลลึกไปในกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเป็นธรรมานุปัสนาเอาและเริ่มเข้าใจและต้องทำสติให้แข็งแรงและมั่นคงนี่ก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องสามตัวเห็นไหมเริ่มไม่ยากใช่ไหมถ้ามองเงี้ยยากไหม แล้วมันเอาไปทําได้ในชีวิตจริงๆตรงนั้นแล้วทําได้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้ด้วยแล้วก็ฝึกกันไปได้เลยอ้ามันสงสัยตรงไหนก็มานั่นต่อนั่นต่อฟังให้เข้าใจคิดตึกตรองแล้วก็ทําลกภาคปฏิบัติบําเพ็ญให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอันเนี้ยหลักการก็มีแบบนี้พ่อมองเห็นห ม, มีอะไรสงสัยพอสมควรแก่เหตุแล้วนะอผมก็ดันโคดมาพอสมควรนั่นเองพยายามฝืน Okay.